เราจะมีสักกี่ครั้งที่เราจะให้ความสําคัญกับการหาบ้านให้แก่ใจของเราที่จริงทุกคนก็มีบ้านของใจอยู่นะเราไม่ได้มีบ้านนะที่ให้ความอบอุ่นแก่กายเท่านั้นแต่ว่าทุกคนก็มีบ้านของใจด้วยแต่ว่าบ้านของใจนั้นเราส่วนใหญ่ก็มักจะปล่อยปะละเลยกัน ปล่อยให้นะมันรั่วซึมได้ง่ายมีอะไรเข้ามากระทบนะก็กระเทือนนะไปถึงใจได้ง่ายหรือว่าปล่อยให้บ้านของใจนั้นเนี่ยมันคับแคบมันแออัดจนกระทั่งรู้สึกว่ากลายเป็นการคับใจคับใจนี่มักจะหมายถึงว่ามีคนมาบีบคั้นเราจากภายนอก หรือเกิดรือความรู้สึกไม่ค่อยพอใจถูกกดดันนะจากคนที่อยู่รอบข้างเราก็เลยว่าคับใจแต่ที่จริงแล้วคับใจอาจจะหมายถึงว่าใจของเราเนี่ยมันดูคับไปที่มันคับนี่ไม่ใช่เพราะมันเล็กไปนะหรือมันแคบไปแต่เป็นเพราะว่าใจของเราเนี่ยบางทีมันมันแน่นไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันก็เหมือนกับบ้านนะั่นนะถ้าหากว่า เนืองแน่นไปด้วยเข้าวของโดยพอสมัยนี้เราชอบเที่ยวห้างกันเราก็ซื้อของต่างๆมาที่ไหนมีเทศกาลลดราคาเราก็ไปซื้อมาเก็บไว้ในบ้านจนกระทั่งห้องนอนนี้ก็ไม่มีที่เก็บมีบางท่านเนี่ยที่จะมารู้จักนะเป็นผู้ใหญ่นะของที่ซื้อมาถ้าถูกๆนูนีก็จะซื้อมาจนกทั่งเก็บไว้ในตู้ไม่ไหวก็ต้องเอามากองไว้บนเตียง แล้วก็ตัวเองก็ก็นอนบนช่องว่างในเตียงนั้นแต่หนักเข้าหนักเข้าแม้แต่ที่วางในเตียงก็กลายเป็นที่เก็บของของที่ซื้อมาก็เลยต้องมานอนพื้นก็กลายเป็นบ้านที่แคบขึ้นมาบ้านของใจก็เหมือนกันนะใจของเรานี้ก็อาจจะกว้างมีบ้านที่กว้างแต่ว่า ข้างในใจนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งของที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราพึงพอใจก็ได้แต่ จ, จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจเช่นความทรงจำที่เจ็บปวดหรือว่าอารมณ์ห ม, มักหมมอารมณ์อกุศลต่างๆที่เราไปไปจับไปฉวยมายัดเอาไว้ในบ้านของใจนั้น ในใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ต่างๆมากมายที่มันไม่พึงปรารถนาเส้่เลยตลอดจนความทรงจำต่างๆนะที่มันไม่น่าจะเอาเก็บเอามารกใจแต่เราก็เอามายัดเอามาใสา่จนรกเดี๋ยวนี้ผู้คนเนี่ยนะเรียกว่ารกใจก็ได้ทั้งรกบ้านทั้งรกใจ โรคใจนี่ก็รกด้วยอารมณ์ที่ไม่เป็นปรารถนารคบ้านก็อาจจะโรคสิ่งที่มันเป็นทรัพย์สินเข้าของที่เราพอใจที่เราสวงแหนแต่ที่รคใจนี่มันคือรคไปด้วยไอสิ่งที่มันไม่ชอบมันหมักหมมคำพูดคำจาของคนบางคนซึ่งมันผ่านไปแล้วเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่ยอมปล่อยให้มันเลยผ่านไปก็ยังเก็บเอามารรคใจ เหนะ็นหรือนึกถึงทีายใจก็ทุกข์แต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้งมันออกไปการกระทําบางอย่างงานการบางอย่างที่มันประสบความล้มเหลวแล้วก็ทุกข์ก็ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยยังเก็บเอามารกใจเช่นกันบางทีก็มันไม่ใช่เรื่องที่ผ่านไปแล้วแต่ยังมาไม่ถึงก็ยังเก็บเอามาคิดให้กังวล ใจนี่ก็เต็มไปด้วยความกังวลกังวลแล้วก็เลยกลัวให้ลองสังเกตดูทุกวันนี้เนี่ยใจเราเนี่ยมันรกไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจริงๆมันไม่ได้รกตลอดเวลานะในบางช่วงบางขณะมันก็ดูโปร่งดูโล่งอย่างเช่นถ้าเราอยู่ตอนนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออใจมันใจมันโล่งเพราะว่าตอนนี้เราออจะไม่ได้คิดอะไร ได้อยู่ที่นี่มันก็สบายอยู่ดีอยู่แล้วนะถึงแม้อาจจะไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่อื่นที่เขามีห้องแอร์นะหรือว่ามีเก้าอี้นั่งอย่างในโรงแรมห้องประชุมแต่ว่าในใจของเราหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันโปร่งมันโลง่งในภาวะเช่นนี้นะก็เรียกว่าเราได้วางเราได้ทิ้งไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ออกไปจากใจ แต่พอเผลอเมื่มอไหร่ก็ไปคว้ามายัดใส่ในบ้านของใจให้มันโรกอีกและนี่อย่างที่ทำให้คนเรานี้มีความทุกข์คนเราทุกวันนี้เราไม่ได้ทุกข์เพราะความไม่สะดวกความไม่สบายทางกายนะอันนี้พูดถึงคนส่วนใหญ่เราก็มีกินมีใช้นะมีบ้านที่สบายไปไหนก็ขับรถไม่ต้องเดินอยู่ในบ้านก็ติดแอร์แต่คนก็ยังทุกข์ถ้าเรา อย่าเป็นอย่างคนในแอฟริกาที่ไม่มีอาหารกินต้องเดินไปหาฟืนกันวันละหลายชั่วโมงหลายกิโลอันนั้นก็ก็เรียกว่าทุกนะทุกกายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราความทุกกายเรามีน้อยมากแต่คนส่วนใหญ่กลับทุกใจทุกว่ายังรวยไม่พอที่ยังสวยไม่พอทุกเพราะอกหักทุกเพราะ มีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกเพราะเพื่อนไม่เข้าใจเราทุกเพราะว่าได้เงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นเขาหรือว่าได้เลื่อนขั้นน้อยกว่าคนอื่นเขาหรือแม้แต่รถติด ก, ก็ทุกหาที่จอดรถไม่ได้ก็ทุกนะมีคนในเมืองบางคนบอกว่าเรื่องตายนี่ไม่ยากแต่หาหาที่จอดรถนี่มันยากกว่าเยอะเลย ซึ่งเอาเข้ า, าจริงๆก็ขนาดที่จอดรถนี่ยังหาไม่เจ อ, อยังทุกข์แล้วน้ำภาษาและความตายยิ่งน่ากลัวเขาไปใหญ่แต่คนเราอะไรที่ยังไม่ถึงตัวก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลเป็นเรื่องที่สบายมากรับมือได้อะไรที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทั้งที่มันเป็นเรื่องกระจิตรนิดเดียวถ้าคนเราทุกวันนี้เนี่ยเราทุกข์พอใจเยอะแต่แนเวเราเดียวกันถ้ามองอีกด้านหนึ่งความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนความสุขก็อยู่ที่ใจนั่นแหละ ความสุขมันอยู่ที่ใจถึงแม้ว่าทรัพย์สินเงินทองจะมีน้อยถึงแม้บ้านจะเล็กถึงแม้ว่าอาจจะเจ็บป่วยด้วยซ้ำนะแต่ถ้าวางใจให้ดีก็มีความสุขได้แม้ว่าจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองมากมายใจก็ยังสุขได้ถ้ารู้จักวางใจให้เป็นหรือมองให้ถูกมีคนหนึงแกสูญเสียเพชรนะถูกขโมยไปราคาก็เป็นล้าน แต่ว่าแกก็ยิ้มได้นะถามว่าทำไมถึงทำอย่า ง, งานั้นถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไอ้พ่าเคยเจอสูญเสียมากกว่า น, นี้มาแล้วพ่อแม่ตายรวมทั้งน้องสาวคนใกล้ชิดก็ตายเครื่องบินตกที่สุพรรณเราได้แอร์เมื่อสักสี่ได้ mm. พวกเราคงจะจำได้เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้เรื่องเราต่างๆที่ เป็นความสูญเสียในชีวิตกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพราะว่ามันเทียบไม่ได้กับความสูญเสียครั้งนั้นแม้แต่เสียเพชรไปก็ถือว่าเรื่องเล็กน้อยนะบางคนตกงานก็ยังยิ้มได้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้กลับไปอยู่บ้านกับแม่ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับท่านเลยถึงตอนนี้ก็ได้ไปอยู่กับแม่ดูแลท่านเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านจะจากไปเมื่อไหร่แล้วถ้าจากไปอาจจะรู้สึก ไม่สบายใจรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลท่านก็ได้ก็ดีนะอันนี้เขาเรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสบางคนป่วยเออป่วยก็ดีเหมือนกันนะจะได้พักผ่อนทำงานมาเยอะแล้วได้พักผ่อนก็ดีเหมือนกันมันเด็กบางคนเป็นมะเร็งก็บอกว่าช่วงที่เป็นมะเร็งมีความสุขมากเลยเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่นะพ่อแม่ก็ุตสาลางานมา เพื่อมาดูแลลูกลูกก็อายุแค่สิต้องมาเป็นมะเร็งแต่ว่าเขากลับรู้สึกว่านี่แหละคือช่วงที่มีความสุขที่สุด ข, ของเขาบางคนก็เลยก็บอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่าทําให้ได้เห็นธรรมะทําให้ได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นเพราะความที่กลัวตายนั่นเองหรือความที่รู้ว่าชีวิตมันเหลือสั้นลงทุกทีเลยละทิ้งเรื่องงานเรื่องการเพราะรู้สึกว่าไม่สําคัญแล้ว แล้วก็พบว่าเออเรื่องธรรมะมันพาให้พบความสุขที่ลึกซึ้งกว่าเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินทองมีบางคนก็ถึงกับบอกว่าเป็นมะเร็งก็ดียังโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกเหมือนญาตนะิคนที่คิดแบบนี้ก็มีนะเป็นเด็กด้วยอายุแคนะ่14เขาพูดแปกเขาก็ยิ้มไปั้นสุขทุกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกนะ แต่มันอยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญเลยอยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรเราจะวางใจอย่างไรได้อะไรมามากมายก็เป็นทุกข์ได้ถ้าหากว่าใจเรามันยังอยากได้มากกว่า น, นั้นถึงแม้ว่าจะได้งานการดีก็ยังทุกข์เพราะเห็นคนอื่นเขามีงานที่ดีกว่าเงินเดือนมากกว่าหน้าตาสาสวยรูปร่างดีก็ยังทุกข์ ก็รู้สึกว่าคนหนึ่งเขาสวยกว่าเดี๋ยวนี้คนมีความรู้สึกแบบนี้กันมากนั่นคือความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแม้แต่แจกของเอาซิมมาแจกเอาซิมโทรศัพท์มาแจกคนละคนละเบอร์คนละเบอร์คนละเบอร์อรอรก็ยังทุกข์นะทีแรกอาจจะดีใจแต่พอรู้ว่าคนหนึ่งเขาได้ซิมที่มันมีโปรโมชั่นดีกว่าถูกกว่าของฟรีกลายเป็นทําให้ทุกข์ไปเลย เหมือนกับเอาเอ า, เอาเสื้อผ้าไปแจกชาว บ, บ้านเอาผ้าผมไปแจกชาว บ, บ้านนะได้คนละผืนคนละผืนก็ดีใจแต่พอลวกเาคนหนึ่งเขาได้สองผนืนนี่เหี่ยวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าได้มาแล้วจะมีความสุขนะถ้ามันได้น้อยกว่คนหนึ่งก็ทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ว่าเสียแล้วจะทำให้เป็นทุกข์ได้เสียแล้วแต่วางใจให้เป็นก็ก็ยังยิ้มได้ คนพิการหลายคนก็ยังยิ้มได้ว่าเออยังดีที่แค่เสียแขนเสียขายังไม่ตายเด็กอายุสิบขวบเป็นมะเร็งต้องผ่าผ่าขาไปข้างหนึ่งก็ยังอุตส่าห์เขียนบทกวีว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งเป็นบทกวีที่มือชื่อเสียงมากนะก็มีพิมพ์เป็นภาษาไทยเด็กไต้หวันคนประทับใจมากทั่วโลกเพราะว่าสิบขวบแล้วแต่ว่า เจอมะเร็งเล่นงานแต่ว่าก็ยังยิ้มได้ยังอุตส่าห์บอกว่าโชคดีที่ยังเหลือขายข้างหนึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของใจแท้ๆนะมันไม่ใช่เรื่องของการได้และเสียได้ก็เป็นทุกข์ถ้าวางใจไม่เป็นแต่เสียก็ยังยิ้มได้ถ้าหากว่าวางใจถูกส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากการมองในแง่ดีนะมองในแง่บวกซึ่งเราจะคุ้นเคยกัน อีกส่วนนึงเพราะเข้าใจความจริงยอมรับความจริงว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมีคนนึงก็โทรศส์มือถือหายเครื่องใหม่ราคาแพงนะเก็บข้อมูลไว้เยอะเลยก็เสียใจจกนกระทั่งต้องไปหาหลวงพ่อในวัดใกล้ๆซึ่งเป็นมีชื่อเรื่องของการท่านดูของหายได้เป็นการลือกันอย่างนั้น ก็ไปถามหลวงพ่อว่าโทรศัพท์หายอย่าให้ท่านนั่งทางไหนให้หน่อยแต่ท่านยังไม่ทันสิงแรกที่ท่านถามคือว่าถ้าไม่ได้ถามว่าโทรศัพท์หายที่ไหนยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรท่านถามว่ามีรถไหมมีครับเอออีกไม่นานก็หายมีทองไหมมีครับอีกไม่นานก็ไปมีบ้านหรือเปล่ามีครับก็อีกไม่นานก็ ต้องไปเหมือนกันพอเจอแบนที้เข้านี่แกได้สติขึ้นมาเลยนะลาหลวงพ่อเลยไม่ขอละพ่อหลาก็พ่อรู้ว่าโทรศัพท์หายนี่มันเป็นแค่ส่วนของชีวิตพ่อต่อไปต้องหายมากกว่า น, นี้ต่อไปต้องสูญเสียมากกว่านี้ต่อไปต้องพัดพร่ามากกว่านี้ก็ได้สติขึ้นมาว่าความสูญเสียพัดพรเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ยังได้คิดถึงว่าเออสูญเสียโทรศัพท์มือถือก็ยังดีนะเพราะว่า ต่อไปต้องเสียมากกว่า น, นี้ถ้าไม่เสียก่อนตายก็เสียตอนตายนั่นแหละมันก็มีแค่2 อ, อย่างของที่เรามีทั้งหมดนะ่ะในที่สุดมันก็ต้องเสียไปไม่ก่อนตายก็ตายก่อนถ้าเราเข้าใจความจริงของธรรมชาติชนิดเราก็ก็ยิ้มได้กับความสูญเสียพัดพราที่เกิดขึ้นอันนี้แหละก็ถ้าเราถากทาใจอย่างนี้ได้นะเราก็จะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข ท, ทั้งที่โลกนี่มันก็มีความผันผวนปรวนแปรอยู่เป็นนิดชีวิตของพวกเรานะมันก็เหมือนกับคนที่อยู่กลางแจ้งเป็นชีวิตกลางแจ้งก็คือว่าต้องเจอแดดเจอฝนเจอแดดมันก็ร้อนเจอฝนมันก็เปียกเว้นแต่ว่าคุณมีมีร่มอยู่กับตัวถ้ามีร่มอยู่แดดมาก็ไม่ทำให้เราร้อน ฝนตกก็ไม่ทำให้เราเปียกเหมือนกับเราอยู่ตรงนี้ถ้าฝนตกมาหาใหญ่ตรงขนาดเนี้ยเราก็ไม่เปียกเราข้างต่อมันเปียกมแต่ว่าข้างใ น, นนี่แห้งเพราะเรามีหลังคาเพราะเรามีศาลาคนเราไม่สามารถจะพกบ้านติดตัวไปตลอดเวลาได้ไม่สามารถจะพกหรือพาศาลาไปกับตัวตลอดเวลาแต่เรามีร่มร่มก็ทำให้เราอยู่กับกลางแจ้งได้อันนั้นคือร่มกายแต่ว่าในชีวิต ที่มันพันผนะัวนเราก็ต้องมีร่มใจด้วยจะเรียกว่า บ, บ้านของใจก็ได้เป็นบ้านที่เคลื่อนที่ได้มีร่มใจที่คอยช่วยทำให้เราไม่ไปทุกข์ร้อนไปกับสิ่งภายนอกมันก็ทำให้เราเย็นได้นะไม่ร้อนแต่ว่าร่มเหล่านี้เราอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่ามันก็เป็นร่มที่เก่าแก่ค่ำคร่าหรือว่าอาจจะรั่วเพราะเราไม่เคยดูแลเอาใจใส่ นะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมามาสำรวจตรวจสอบร่มของเราว่าร่มใจนี้มันเป็นอย่างไรมันพอเพียงกับการที่จะไ ป, ปะจนโลกะจ์ชีวิตกว้างไหมมันอาจจะเล็กไปก็ต้องทำให้ใหญ่ขึ้นมันอาจจะไม่แข็งแรงก็ต้องเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นเมื่อเรามีร่มใจนะเราก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขคนเวลานี้เนี่ยนะอยู่ไม่ค่อยอยู่ได้เป็นสุขเท่าไหร่อย่างที่พูด แม้ว่าจะมีสิ่งรอบตัวมากมายแต่ข้างในใจนี้อาจจะอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเพราะเราลืมเรื่องของใจไปช้านานแล้วพอเราลืมเรื่องใจนะเราอยู่ที่ไหนที่ไหนนะมันก็หาความสุขได้ยากถ้าจาระมีความกังวลฟังเพลงเท่าไหร่ก็ไม่เพาะถ้าจเรามีความโกรธ กินอาหารหรู อ, อาหารชั้นเลิศ ก, ก็ไม่รู้สึกอร่อยไปเที่ยวแต่ใจยังกังวลเรื่องงานก็ไม่มีทางรื่นเริงบรรเทิงใจได้และถ้าใจเราไม่รู้จักวางให้ดีหรือไม่สามารถจะทำให้สงบนิ่งได้เราอยู่คนเดียวเราก็ไม่มีความสุข ทั้งทงที่รอบตัวเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเราทุกคนถ้าถามว่ารักตัวเองไหมทุกคนก็บอกว่ารักแต่ถามว่าจะให้อยู่กับตัวเองได้คนเดียวกับกับตัวเองอยู่คนเดียวในบ้านอยู่คนเดียวไม่ต้องกลางคืนก็นได้นะกลางวันเนี่ยอยู่คนเดียวในบ้านสักวันหนึ่งสองวันไม่ต้องมีโทรศัพท์เพื่อที่ไปพูดคุยกับใคร ไม่มีโทรทัศน์เอาไว้ดูแต่มีทุกอย่างที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่เราได้และแน่นอนก็ไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรด้วยเพื่อให้เราได้อยู่กับตัวเราเองจริงๆเนี่ยถามว่าเราจะอยู่ได้ไหมบางคนอย่าว่าแต่หนึ่งวันหรือชั่วโมงนึงก็อยู่ไม่ได้ทำไมถึงอยู่ไม่ได้ก็เพราะมันทนตัวเองไม่ได้พยายามหนีออกจากตัวเอง คนจนวนมากเวลานี้พยายามหนีห่างจากตัวเองหนีตัวเองการมีโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นชั่วโมงก็เพื่อจะได้หนีออกจากตัวเองไปเที่ยวห้างเพื่อจะได้หนีตัวเองไปเที่ยวสารพัดสารเพก็เพื่อหนีตัวเองทุกวันนี้เราหนีตัวเองกันมากเลยนะแค่จะให้อยู่กับตัวเอง5นาที10นาทีตามลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่ไม่ได้น่นเพราะอะไรเพราะว่า มันมีความขัดแยง้งมีความร้อนรนภายในพูง่าคือจิตเราไม่นิ่งความคิดมันฟุ้งซ่านออคนเราที่ทุกข์เพราะความคิดได้เยอะเลยนะคนเราทุกข์เพราะความคิดมากไม่ต้องทุกข์เพราะอยู่ในที่มืดคนเดียวอยู่ในที่สว่างก็ยังทุกข์เพราะว่ามันคิดสารพัด เขาถึงบอกว่าให้อยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดคนเราก็ชอบหนีความคิดพยายามที่ให้มันเลิกคิดก็เลยหาอะไรให้มันทําไปเที่ยวไปเล่นไปเที่ยวห้างเสร็จ แ, แล้วพอมาอยู่คนเดียวก็ก็อยู่ได้ยากกลับมาบ้านดึกๆเพื่อที่จะได้กลับมาถึงก็นอนเลยจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมาก เสร็จแล้วก็นอนไม่หลับเพราะว่ามันครุ่นคิดอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละคือเหตุว่าคือความจาเป็นที่เราจะต้องหวนกลับมาดูแลเอาใจใส่จิตใจของเราแล้วก็พยายามที่จะสร้างสันติกับตัวเองเลิกลบกับตัวเองเสียทีอันมาสงบศึกกับตัวเองทุกวันนี้เราอาจจะดูมันทะเลาะคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ย สาเหตุหลักๆคือเราทะเลาะกับตัวเองเราทะเลาะกับตัวเองเราก็เลยอยากจะหนีตัวเองเหมือนกันเราทะเลาะแฟนเราก็อยากจะหนีจากแฟนเราทะเลาะกับตัวเองเราก็เลยอยากจะหนีตัวเองทำตัวให้วุ่นเพราะทนความความว่างไม่ได้เพราะถ้าว่างแล้วเนี่ยใจมันจะคิดต้องมาไปเชยกับตัวเองที่แสนเกลียดถึงเวลาแล้วที่เราต้องมามาสงบสึกกับตัวเองสักทีเลิกรบทันมาสงบสึกกับใจของเรา ถ้าทำไมใจของเรานี่มันถึงเกิดเกิดศึกกับเราได้ก็เพราะว่าเราละเลยเขามันเหมือนกับเราเลี้ยงลูกแล้วเราปล่อยปลาแล้วเลยลูกที่แรกลูกก็น่ารักนะสามสขวบก็น่ารักพอโตขึ้น1ิ1เอ็อวัยรุ่นนี่บางทีอยากจะตีอยากจะเล่นงานเขาเหลือกเกินเพราะลูกเรานะไม่ได้รับการเลี้ยงดูใจใส่จากเรามันก็เลยกลายเป็นอันตรายกลายเป็นเด็กเกเร เดี๋ยนี้พ่อแม่นี่ทาสงครามกับลูกวัยรุ่นเนี่ยไม่เว้นแต่ละแต่ละบ้านแต่ละบ้านเลยอาส่วนกี่กลยเป็นเพราะว่าการละเลยที่จะดูแลเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กมันก็เลยกลายเป็นวัยรุ่นเกเรพยศใจของเราก็เหมือนกันนะมันพยศกับเรานะก่อกลัวเราหาเรื่องหาสร้างปัญหาไม่มีหยุดไม่มีย่อน ก็เพราะเราละเลยเขามานานอันนี้ก็เป็นโอกาสแล้วล่ะที่พวกเราจะได้มาให้เวลาหันมาดูแลเขาหันมาใจใสการปฏิบัติที่เรากำลังจะทำนี่นะมันเป็นการพยายามที่จะดูแลจิตใจของเราด้วยอาการที่นุ่มนวลจะไม่ใช่มีการไปบังคับความคิดไมไ่ไม่ใช่เป็นการบังคับจิต หลายท่านอาจจะคุ้นเคยการกดการบังคับการห้ามความคิดอันนั้นไม่ใช่วิธีที่จะมาใช้กับการาดูแลหรือเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะจะมาใช้กับจิตใจของเราก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะถ้าเรามีลูกวัยรุ่นแล้วเราพยายามไปห้ามไปกดไปสั่งไปบังคับทนไม่ไหวก็จับมัด มันก็จะยิ่งทรมานมากขึ้นยิ่งอารวาสก็มีบางคนก็ทำอย่างนั้นกับลูกซึ่งไม่เกิดผลดีอะไรเลยกับผลเสียกับใจของเราก็เหมือนกันเราใช้วิธีที่นุ่มนวลก็คือเพียงแต่ว่าดูเขาเฉยๆดูแล้วก็เรียกสติเข้ากลับมาเรียกสติเข้ากลับมาใจของเรามันชอบเที่ยวเราอย่างนี้ตัวเองเราอย่างนี้จากใจของเราใจของเราก็อย่างนี้จากตัวเราเหมือนกันนะ ทั้งสองฝ่ายอยากหนีซึ่งกันและกันใจล้มก็อยากจะหนีจากตัวเองนะไปโน่นมานี่ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างมันชอบออกนอกบ้านนะพูดง่ายๆแล้วเราทำยังไงเราไม่ไม่ใช้วิธีการไปบังคับหรือไปไ ป, ไปขังเขาไว้แต่ให้อิสระที่เขาจะเรียนรู้เมื่อเขาไปไกลเราก็เรียกเขากลับมา ไปแกก็เรียกกลับมาไม่ใช่ห้ามไม่ให้ไปนะเราให้เขามีสละที่จะไปแต่ว่าถ้าไปถ้าไปเมื่อไหร่เรารู้เราก็เรียกกลับมาเรียกกลับมาบ่อยๆเขาขอภัยเหมือนกันเราเรียกหมาเนี่ปล่อยหมาออกจากบ้านหมามันเพลินเราก็เรียกมันกลับมาใหม่ๆ ม, มันก็ไม่รู้มันก็วิ่งเดียวจากบ้านอีกเราก็เรียกมันกลับมาอีก ทำอย่างนี้บ่อยๆทํอยางนี้บ่อยๆมันก็จะรู้มันไปคราวนี้มันไปไม่นาแล้วมันไปออกจากบ้านทักสงสามมันก็รู้กลับมาเพราะมันเริ่มเชื่องแล้วทีนี้พอเพียงแค่จออกจากบ้านนั้นแหละมันก็รู้เลยมันจำได้มันจำได้ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของมันที่ต้องออกจากบ้านมันต้องอยู่กับบ้านไม่ใช่ออกจากบ้านตอนนี้มันก็จะเริ่มอยู่บ้านอย่างเป็นสุข ไม่ได้ดูยด้วยความทุกข์เพราะมันไม่ได้ถูกบังคับแต่ว่ามันเป็นความสมัครใจของเขาเองเพราะว่าเชื่องแล้วนะกับใจของเราก็แบบนี้แหละก็คือว่าเราไม่ได้บังคับจิตไม่ให้คิดแล้วก็ไม่ใช่ไปเพ่งนะคนบางคนก็อยากให้จิตสงบก็เลยไปเพ่งไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่มือหรือว่าไปคอยดักเฝ้าดูความคิดไม่ให้มันโผล่มา ดักเอาไว้เลยไม่ใช่ความคิดมันเกิดขึ้นหึงค่อยค่อยไปรู้มันแมงมุมเนี่ยเวลามันชักใยเนี่ยมันไม่ได้จดจ อ, อยตลอดเวลาว่าจะมีแมลงตัวไหนนี่มาติดใยติ ด, ต, ดติดใยของมันมันก็มันก็มัวแต่ถักทอยใยไปเรื่อยๆนะแต่พอมีแมลงมาติดใยของมันติดตาข่าย มันรู้ทันทีเลยมันรู้ได้ไงก็เพราะว่าตะข่ายมันกระเพื่อมนะมันรู้เลยมันไม่มีความจาเป็นต้องมาเฝ้าดูว่ามีแมลงวันมีแมลงตัวไหนจะมาติดหรือเปล่าเสียเวลามันมันก็ทำแรงมาไปเรื่อยๆนะแต่พอมีอะไรมาติดติดขายของมันมันรู้เพราะว่าขายมันย้ายมันสันไวให้เรามีสติดี ใจเรามีสติดีเนี่ยใจมันฟุ้งใจมันเผลอไปหรือว่าโกรธหรือว่าโมโหหงุดหงิดเนี่ยพอจิกกระเพื่มเท่านั้นแหละสติรู้ทันทีเลยเมื่อเรามีสติรู้นะเราก็สามารถปล่อยสามารถวางได้ถ้าเป็นแมงมุมแมงมุมก็เข้าไปจัดการกับแมลงที่ติดไข่ใหญ่นั้นแต่ว่าใจของเราเนี่ยนะทันทีที่รู้เนี่ย แค่รู้เฉยๆเท่านั้นแหละไอ้สิ่งที่ปรุงฟุ้งปรุงแต่งมันก็หลุดออกมาเพียงแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆไอ้ความปรุงแต่งมันก็มันก็หยุดไปเลยไม่ใช่เพราะห้ามคิดไม่ใช่เป็นความตั้งใจของเราที่ห้ามคิดแต่เป็นเป็นงานของสตินะที่เขาจะปลดจับเปื้องใจของเราออกจากอารมณ์หรือเปิดเปลืองอารมณ์ออกจากใจ ตลอดจนความคิดปรุงแต่งด้วยให้เราปฏิบัติอย่างนี้นะคือไม่ใช่ด้วยการเพลงไม่ใช่โดยการไปบังคับไม่ใช่ด้วยการไปดักดูเฝ้าดูความคิดทำไปสติเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากสำหรับการที่จะรักษาใจเราให้มีความสุขไม่ทุกข์ที่จริงสติเราก็มีกันทุกคนอยู่แล้วสติคือความระลึกได้จาได้อย่างเราจาทางนะ มาวัดป่าสุกโตได้หรือจำได้ว่าลืมกุญแจไว้ที่ไหนหากุญแจไม่เจอแล้วก็จำได้ว่าหากุญแจเจอจำได้ว่าไปวางไว้ที่ไหนเมื่อกี้นี้หรือจำได้ว่าเราลึกได้ว่าเสร็จทาวัดฟังทำแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องโทรสับไปหาลูกเพื่อคุยกับลูกสักหน่อยจำได้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปหลังจากนี้ เราจำได้ว่าเราเระลึกได้ว่าเสร็จการตบรมนี้แล้วเลยต้องทำอะไรต่อไปมีงานค้างอยู่นี่เป็นงานของสตินะซึ่งเราใช้อยู่ประจำเราขับรถขับลาเราทำงานเราทำครัวเราจะโทรศัพท์ถึงเพื่อนเราจำได้ว่าจะโทรเบอร์อะไรเราจำได้วันเกิดเพื่อนวันไหนเราจำได้วันเกิดแม่วันไหนเราจาได้ว่า เสียกรุงครั้งที่หครั้งที่สองพอสออะไรเป็นต้นนี่คืองานของสติแต่ว่าสติหรือความระลึกได้ความจําได้ที่พูดมาเมื่อกี้นี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องนอกตัวเป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่องกุญแจนะเรื่องลูกหรือไม่ก็เป็นเรื่องการระลึกได้เกี่ยวกับสิ่งที่ทําในอดีตหรือว่าระลึกได้ว่าจะต้องทําอะไรในอนาคตบางทีเรื่องที่ไม่น่าระลึกได้ก็ยังไประลึกมันเช่น การกระทําไม่ดีของคนบางคนที่ที่เราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสติเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการระลึกได้ในเรื่องนอกตัวแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตหรืออดีตแต่สิ่งที่เรามีน้อยก็คือความระลึกได้จําได้ในเรื่องที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งการระลึกได้จําได้ในเรื่องกายและใจ ก็คือเราลุกลุ้ในกายและใจเช่ขนขณะนี้เราเผลอไปเผลอคิดไปนะใจเสร็จแล้วก็มือสติระลึกได้รู้ว่าเผลอไปเมื่อรู้ลึกได้เมือ่อรู้ว่าเผลอไปก็กลับมาอยู่ปัจจุบันนั่นแหละคือสติที่เรายังขาดกันอยู่ก็ ค, คือสติที่รู้กายรู้ใจรู้ใจที่คิดฟุ้งซ่ารู้ใจที่ปรุงแต่งตลอดจน สติที่ทําให้เรารู้เราลึกได้ในปัจจุบันว่าเรากาลังทําอะไรอยู่เช่นเผลอไปแล้วก็ราลึกขึ้นมาได้วันนี้กาลังนั่งฟังอยู่นะกำลังทําวัดอยู่ใจลอยไปไม่รู้ไปไหนเราลึกขึ้นมาได้ว่ากําลังทําวัดอยู่นะการลึกได้เช่นนี้แหละจะทําให้จิตเรากลับมาสู่ปัจจุบันอันนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานเราเรียกว่าสัมมาสติ สติมีทั้งมิจฉาสติก็มีนะเราลึกได้ในเรื่องที่มันไม่ควรจะราลึกราลึ ก, เ ร, ลกเราทําให้จิตเป็นอกุศลเห็นภาพบางภาพแล้วใจมันปรุงแต่งก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็ยังหัวเราลึกถึงภาพนั้นก็ทําให้ใจเป็นอกุศลไม่ว่าเกิดโทสะหรือเกิดราคะขึ้นมาอันนั้นเรามิจฉาสติแต่ว่าสิ่งที่เรามีกันน้อยท่านที่จําเป็นต่อชีอเรามากคือสัมมาสติคือการมีสติอยู่กับ การมีสติเพื่อให้เรารู้ปัจจุบันหนึ่งแล้วนะถ้าสองเพื่อให้เราเรารู้รในกายและใจเพราะอย่างที่บอกส่วนใหญ่เราเนี่ยไป ร, รไปรู้ไปจำได้เรื่องนอกตัวซึ่งไม่ใช่ไม่สำคัญนะมันก็สำคัญมันยังมีอีกสิ่งนที่สำคัญกว่าหรือสำคัญคู่กันไปอาจจะเราสำคัญกว่าก็ได้เพราะว่าสุขหรือทุก ข, ของเราถึงที่สุดแล้วอยู่ตรงนี้แหละก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจ แล้วก็ทำให้เราจำได้ในปัจจุบันจำได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันสติอย่างนี้ต้องเร็วมากนะต้องเร็วมากการจำว่าทิ้งกุญแจไว้ที่ไหนอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็จำได้การจะจำได้ว่าระลึกได้ว่าโอ้เสร็จจากอบรมแล้วจะไปทำอะไรต่อเราอาจใช้เวลาทบทวนอยู่เป็นวันก็อาจจะจำได้ แต่ว่ า, าการที่จะมีสติระลึกรู้กายและใจแล้วก็รู้ในปัจจุบันเนี่ยมันต้องไวต้องเร็วถ้าไม่เชื่อก็ลองปฏิบัติดูก็ได้นะว่าเวลาเราเดินตรงกรมสร้างจังหวะแล้วมันเป็นยังไงมันลืมบ่อยมากเลยมันลืมกายและใจมันลืมเลยว่ากําลังเดินอยู่มันลืมเลยลืมลืมไปว่ากําลังฟุ้งอยู่เพลินกับความฟุ้งกว่าจะรู้ตัวก็ไม่รู้คุยไม่รู้ฟุ้ง80เรื่อง20เรื่องแล้ว ความระลึกได้ความจำได้เนี่ยมันสั้นมากนะในเรื่องปัจจุบันตั้งใจว่าจะให้รู้ตัวกับการเดินการสร้างจังหวะจะไม่ปล่อยให้ใจวอกแวกไปไหนตั้งใจได้แค่ไม่ถึงนาทีมันไปแลวนะมันลืมไปแล้วมันลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยตั้งใจทำอะไรความจำมันจำได้แค่นาทีเดียวหรือไม่ถึงนาทีมันลืมเก่งมากเลยในเรื่องปัจจุบันมันลืมเก่งมากเ ล, เลยในเรื่องกายและใจ แลนี่แหละที่ทำให้เราทุกอยู่ไม่ไม่สางไม่ซานอนไม่หลับก็รู้แล้วก็รู้แล้วจับได้แล้วว่าเป็นเพราะใจฟุง้งซ่านก็ตั้งใจว่าจะไม่ไปคิดเรื่องงานเรื่องการที่ผ่านไปตั้งใจได้แค่นาทีเดียวไปแล้วไปแล้วแล้วคนรักก็ไปเรื่องอดีกาอนาคตนะนะมีคนนึงนี่ก็เป็นคนที่เคยประสบความสาเร็จในเรื่องอาชีพการงานใครๆก็เรียกว่าเสียเรียกว่าเฮียตั้งแต่อายุ ไม่ถึง30สิบเสร็จแล้ววันดีคืนดีก็บอกว่าธุรกิจมันเกิดมันมีปัญหาการเงินก็เริ่มขาดสะดุดรนะายได้ก็ที่เคยมีก็ที่เป็นเคยมีเป็นก่อเป็นกรรมก็หายไปนะกำไรก็เหลือนิดเดียวเจ้าตัวนี่กังวลและจากกังวลก็เริ่มเป็นทุกข์และจากเป็นทุกข์ก็เลยร้องใจ รู้สึกเลยว่าโอ้ธุรกิจฉันจะเป็นยังไงเนี่ยที่ใครๆเขายกย่องว่าเป็นเสียเป็นเฮียแต่ตอนนี้เนี่ยฉันกำลังจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วพอคิดแบบนี้ใจมันเสียเลยนะสับสนวุ่นวายว่าจะทำยังไงกับงานการเริ่มนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับนะทำงานก็ไม่ค่อยได้แล้วเพาใจมันเพราะสมองมันไม่พร้อมนอนไม่หลับ เป็นคืนคนหลายคืนติดต่อกันมันจะเอาสมองที่ไหนไปคิดงานคิด ก, การอะไรได้งานก็แยกลงไปเรื่อยๆสับสนปนเปไปหมดใจนึงก็ห่วงงานการข้างหน้าอีกใจนึงก็รู้สึกว่ากําลังจะสูญเสียความเป็นเสียเป็นเทียไปมันทําใจไม่ได้มาปฏิบัติที่นี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจนะเรื่องอนาคต ให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะที่เราสรับสนฟุ้งซ่านพอใจลร า, าไปแว่งไปแข่งมาระหว่างอดีตกับอนาคตนึกถึงความเป็นเฮียที่กําลังจะสูญเสียไปนึกถึงธุรกิจที่มันเต็มไปด้วยปัญหาตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่ทํางานแล้วก็ให้มาอยู่ปัจจุบันแต่อยู่ไม่ได้เดินจงกรมเขบอกสร้างจังหวะแค่สี่ครั้งไปแล้วไปคิดเรื่องงานเรื่องการหรือแม้คิดกระทั่งว่า ปฏิบัติทำเจ็ดวันแล้วทำาไม่ได้อะไรแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปข้ามช็อตตลอดเวลาเลยมองข้ามช็อตคิดข้ามช็อตตลอดเวลาทาั้งที่แทนจะสนใจวันนี้สนใจชั่วโมงนี้ไม่ไปแล้วสับสนไม่หมดอดีตอนาคตสุดท้ายก็เลยนอนไม่หลับนะใจทั้งนั้นใจทั้งนั้นที่มันทำร้ายเราทั้งธุรกิจก็ไม่ได้มีปัญหามากที่บ้านก็ไม่ว่าอะไร จะให้ขายธุรกิจไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีหนี้สินอะไรอยู่แล้วที่บ้านก็พร้อมจะให้เริ่มต้นใหม่แต่ใ จ, จมันยังอาลัยความเป็นเสียเป็นเฮียที่มันยังทิ้งไม่ได้ก็กลายเป็นว่าความเป็นเสียเป็นเฮียมันก็เลยกัดเจ้าของทําให้นอนไม่หลับทําให้เป็นทุกข์ทำให้เหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่มีปัจจุบันซะเลยมีแต่อดีตกับอนาคตอย่างเดียวมันก็ไม่ต่ า, าคนฝันนั่นนะเอาแต่นอนหลับฝัน เพรนั่นเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะไม่มีความระลึกรู้ที่ไวเพียงพอในเรื่องกายและใจที่ทําให้เราอยู่กับปัจจุบันได้เราก็จะทุกสารพัดเรื่องนะงเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะให้ชักชวนให้พวกเราเนี่ยเกิดชันทะเห็นคุณค่าของการเจริญสติที่เรากำลังจะทําเรามีความระลึกได้ในเรื่องอื่นๆมากแล้วนะแต่ว่าสัมมาสติระลึกรู้กายและใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจ รู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่เราต้องบ่มเพาะขึ้นมาให้เข้มแข็งฉับไวรวดเร็วเพื่อที่จะจัสลัดทุกได้อย่างอย่างฉับไวอันนี้แหละที่ช่วยทําให้จิตจของเราปลอดโปร่ปรงแล้วบ้านใจของเรานะหรือว่าบ้านของใจเนี่ยมันก็จะปโปร่งโลง่งมันจะไม่รกไปด้วยอารมณ์อกุศลที่หมักหมมกันเป็นปีเป็นเป็นชาตินะเราจะค่อยเก็บออกมาทิ้งไปทีละอย่างทีละอย่าง แล้วก็อดสงสาไม่ได้ว่าทำไมเราโง่อย่างนี้เอาอะไรต่ออะไรมายัดไว้ในบ้านใจจนลกไปหมดจนทางกายเป็นการคับใจคับใจหรืองับแค้นใจถึงเวลาแล้วที่จะต้องขนย้ายไอ้พวกอารมณ์หมักหมมที่ไม่พึงปรารถนาออกไปจากใจของเราออกไปให้หมดให้มันโล่งโปร่งว่างแล้วมันก็จยะยสบายนะย้ายพวกเราทำกันอย่างนี้นะ